ลักธำมเกี่ยวกับอาชีวะก็อจอสังฆะคือชุมชนของบุคคลที่เป็นอิสระทั้งโดยชีวิตและด้วยจิตปัญญาสังฆะคือสงเป็นชุมชนตัวอย่างของชีวิตที่พึ่งอาศัยวัตถุน้อยที่สุดหรือเป็นอิสระจากวัตถุมากที่สุดทั้งนี้เกี่ยวพันกับเงื่อนไขาทางสังคม เพื่อฝึกพระภิกษุให้สามารถมีชีวิตเช่นนั้นอย่างหนึง่งเพื่อให้พระภิกษุอุทิศเวลาและแรงงานไปในด้านกิจเกี่ยวกับธรรมได้เต็มที่ไม่มัวห่วงกังวลกับการสแสวงหาวัตถุอย่างหนึง่งเพื่อทำตัวให้ชาวบ้านเลี้ยงง่ายในฐานะที่เป็นผู้อาศัยการบำรุงของชาวบ้านไม่ประกอบอาชีพด้วยตนเองอย่างหนึง่งและเพื่อดารงภาวะความเป็นชุมชนอิสระที่พ้นจากอานาจครอบงาแห่งระบบทางสังคม ได้มากที่สุดโดยที่การใช้แรงงานไม่เป็นไปเพื่อผลตอบแทนในทางอาชีวะอย่างหนึ่งพระภิกษุตุกรูปไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือปุถุชนก็ดํารงชีวิตตามหลักการอาศัยวัตถุให้น้อยอยู่เพื่อธรรมะให้มากอย่างเดียวกันไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงมุ่งหวังให้เครือขัดเป็นอยู่อย่างพระและก็ไม่ปรากฏว่าจะทรงมุ่งหวังให้คนมาบวชเป็นพระกันไปทั้งหมด หลักความจริงตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยก็บอกชัดอยู่แล้วว่าในเวลาหนึ่งเวลาหนึ่งคนย่อมอยู่ในระดับการพัฒนาที่ต่างกันและจึงย่อมมีความต้องการที่ต่างๆกันแม้แต่บุคคลโสดาบันส่วนใหญ่หรืออย่างน้อยจานวนมากมายก็ครองเรือนอยู่กับครอบครัวที่บา้านสาระถะของหลักการนี้น่าจะได้แก่การให้มีชุมชนอิสระซ้อนอยู่ในสังคมใหญ่ เพื่อเป็นแรงดุลทางธรรมหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมและเป็นแหล่งอำนวยความหลุด้นจากปัจจัยครอบงำของสังคมในเวลานั้นๆแก่ผู้ต้องการและพร้อมที่จะพ้นออกไปชุมชนนี้มีทั้งชุมชนรูปแบบและชุมชนนามธรรมาอย่างแรกชุมชนอิสระโดยรูปแบบได้แก่ภิกษุสงฆ์หรือบางทีเรียกว่าสมมติสงฆ์อันแทรกซ้อน ได้ ล, ลอยตัวอยู่ท่ามกลางสังคมใหญ่ของคฤรหัดอย่างที่สองชุมชนอิสระโดยนามธรรมได้ แ, แก่สาวกสงฆ์หรือที่บางทีเรียกว่าอาริยสงฆ์อันประกอบด้วยอริยชนทั้งคฤรหัดและบัณฑปชิตที่แสกซ้อนและลอยตัวอยู่ท่ามกลางสังคมใหญ่ของมวลปุตุชนสาระฐนันนี้เท่ากับบอกว่าสังคมอุดมกติ มีใช่สังคมที่มนุษย์ทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันและสังคมเช่นนั้นเป็นไปไม่ได้แต่สังคมอุดมคติเป็นสังคมที่มนุษย์ผู้มีพัฒนาการทางจิตปัญญาแม้จะแตกต่างกันแต่ก็กำลังก้าวหน้าไปสู่จุดหมายเดียวกันและแม้จะแตกต่างกันแต่ก็อยู่อย่างกลมกลืนกันกับทั้งเป็นสังคมที่มนุษย์มีทางเลือกออกไปอย่างดีงาม ในเมื่อไม่ต้องการอยู่ในสังคมใหญ่นั้นแม้แต่ในยุคพระศรีอานที่ว่าคนเหมือนกันทุกอย่างก็ยังมีภิกษุสงฆ์เป็นชุมชนอิสระโดยรูปแบบเช่นเดียวกัน